ก้าวสิบอดต๋อมไพ่วอกกัิอนุประโยครองลงมาที่หนึ่งสหตุก็เปวนาคยวลุวอกกัิหวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้นบหุซ่าเรปุบาตาวารนัมบากุปัดตุนดี คุณทราบได้อย่างไรอดีมีิมเยลาเตลุปดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นอดิีบางุปสรรุ น, นี้นอซิสตุนานุเขาต้องมาแน่อานนาตับปะกุนดาวัสตารูแน่หรืออิดิขัดชิตมะดิฉันรู้ว่าเขาจะมา ไอนะ้น่ะวัสดารันี้นากุติลสูเขาโทรมาแน่ไอ้นะตับปะคุณได้ call จัสรุจริงหรือนี่จังกะ์ะดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมาไอานะ้อ น, น่ะ call จัสรันนีเนี่ยนับมุตุนันนุวายมันเก่าแน่แน่ ว่ายนตับปะคุณดาปาตัดิคุณรู้แน่หรือมีกี่เด็กอชิตังกาเตลซะดิฉันคิดว่ามันเก่ายิดิปาตัดอนนี้เนี่ยน่าจคุ้นหนานุนานหัวหน้าของเราดูดีมากมาในเยจรมานาีาน้อันดังก็การิปิสตารุคุณคิดอย่างนั้นไหม มีกวัวล่าในปิสตนด้ะดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียวน่ากวายในชาลัานดังก็กานในปิสตารุหัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆเย่จะมาในกิดตับปะคุณดาวก็สนิททีราลุวดีคุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเมื่อในจังกาอาลาอนุกุตุนนาระ เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้วอายนกิวคัสฮตราลนระดนสมบูรณยม